มีห้องสมุดนะสาธารณะในเมืองหนึ่งของจีนนะจะมีคนหนึ่งที่มาใช้ห้องสมุดเป็นประ จ, จําเลยเรียกว่าทุกวันเลยก็ว่าได้ไม่เป็นสาวทิศนะเป็นชายชราแกก็มาอ่านหนังสือส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของวิชาวความรู้นะมีเรื่องสั้นมีนิยายบ้างก็ไม่มากเรียกว่า อยู่ในห้องสมุดนี่วันหนึ่งก็หลายชั่วโมงกนหลังเนี่ยคนก็มารู้ว่าแกเนี่ยมีอาชีพเก็บขยะโอ้หนาทึ่งนะคนแก่ที่มีอาชีพเก็บขยะแต่ว่าสนใจนะวิชาความรู้ก็เรียกว่าใส่ใจมากนะกับการอ่านหนังสือในห้องสมุดพอใครๆรู้ว่าเนี่ย ผู้เท่าคนนี้เนี่ยเป็นคนเก็บขยะนี้ก็นับถือเลยนะว่าโอ้แม้ว่ายากจนนะไร้ทรัพย์แต่ว่ามีความรักวิชาวความรู้แทนที่จะเอาเงินที่มีน้อยนิดเนี่ยไปกินเหล้านะอย่างที่เห็นนะกันโดยทั่วไปแ่ก็ มาอ่านหนังสือตอนหลังก็รู้ต่อไปว่าแกไม่มีครอบครัวนะอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ห้องพักนก็เป็นห้องเล็กๆห้องเช่าแกก็ทำยี่มาหลายปีนะแล้ววันหนึ่งแกก็หายไปไม่มาที่ห้องส ม, มุดอีกเลยตอนหลังก็เลยรู้ว่าเนี่ยแกเสียชีวิตแล้ว ก็มีคนนะไปเจอห้องพักของแกห้องเช่านะแล้วพอเข้าไปข้างในก็อย่างที่คาดเอาไว้นะคือไม่ค่อยมีสมบัติอะไรหนังสือก็มีบ้างไม่มากแต่ที่ประหลาดใจคือมีจดหมายเนี่ย ถึงแกนี่เป็นร้อยๆฉบับเลยคนที่ส่งจดหมายมาก็เป็นนักเรียนนักศึกษาส่งมาทำไมนะส่งมาเพื่อขอบคุณที่แกบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาจากจดหมายนี้ก็เลยรู้ว่าเนี่ยโอ้แกเป็นคนที่มีน้ำใจมากเนีบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนมา เรียกว่าเป็น10ปีแล้วเงินที่บริจาคนี่ก็หลายแสนทีเดียวนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เกือบล้านเด็ก ๆ, ๆหรือเยาวชนเนี่ยก็เขียนจดหมายมาเพื่อขอบคุณแกบ้างละหรือไม่ก็มารายงานว่าผลการเรียนเป็นอย่างไรและที่มันน่าทึ่งกว่านั้นคือว่าแกไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะแกะไม่ได้ใช้ชื่อจริงแก ใช้ชื่อปลอมอันนี้ก็ดูได้จากาหน้าสองจดหมายเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อแกแต่ก็เป็นอันแน่นอนว่าเนี่ยเด็กเขียนมาถึงแกเพราะเรื่องนี้เนี่ยรู้ไปถึงคนทั่วไปเขาก็เกิดความศรัทธานับถือ ช, ชายชราวคนนี้มากนะ ทีแร ก, ก็ยกย่องอยู่แล้วนะนับถืออยู่แล้วนะยากจนแต่ว่าไฟรู้ไฟเรียนไม่คิดว่าแก่เกินเรียนและจริงอา่านหนังสือก็จะเป็นความบันเทิงความสุขอย่า ง, งของแกก็ได้แต่ที่น่าทึ่งนั้นคือว่าแม้แกยากจนนะแต่ก็แกก็รู้จักเก็บพร้อมรอมริบและนึกถึงคนอื่นเนงินที่มีน้อยนิดนี้ก็ เอามาใช้กินใช้เสพนี่น้อยมากแต่เอามาใช้เพื่อช่วยเหลือคนที่ยากจนเด็กที่ยากจนแอลคงเคยเป็นเด็กยากจนที่ขาดโอกาสในการศึกษามาก่อนและคงจะเห็นคุณค่าของการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะ มีเงินน้อยนะแต่ก็พอนึกถึงเด็กที่ยากไร้เหล่านี้แล้วก็อยากจะช่วยเหลือให้เขามีอนาคตที่สดใสในสิ่งที่แปลกจากคนหนึ่งคือว่าแกไม่ใช้ชื่อจริงนะแสดงว่าเนี่ยแกต้องการทำความดีแบบเงียบๆเป็นความดีที่ไม่ต้องการจะให้ใครมารับรู้ อันนี้หายากนะคนทำดีจำนวนมากเนี่ยทำแล้วก็น่านุ่มโมทนานะแต่ก็อยากจะให้คนอื่นรู้เพราะธรรมชาติคนเราเนี่ยมันก็ต้องการนะการชื่นชมสรรเสริญเพราะนั้นเวลาทำดีแล้วก็อยากจะประกาศให้ใครต่อใครรู้บางทีก็กลายเป็นการโอดไป อวดอย่างเดียวไม่พอบางทีก็โอ้อวดด้วยแม้ว่าคนเราทำความดีนี่มันอยากจะบอกนะให้ใครๆรู้นะเพราะว่าธรรมชาติของอัตตาเนี่ยมันก็ต้องการให้ใครชมว่าให้ใครๆต่อใครชมว่าเธอดีเธอเก่งเธอสวยนะเธอมีน้ำใจในเวลาทำดีเช่นบริจาคเงินเนี่ยก็ อดไม่ได้ที่จะประกาศให้ใครๆต่อใครรู้เช่นเขียนชื่อลงในกระดาษหรือในกระดานที่สาธารณะนะนะจักคนจะไม่น้อยเยเวลาบริจาคเงินเนี่ยให้วัดเนี่ยก็อยากจะเห็นชื่อของตัวเองเนี่ยประกาศเผยแพร่ที่กระดานบ้างละ หรือว่าบางทีก็ที่ภาชนะเก้าอี้โต๊ะนะเนี๋ยแล้วเดนนี้นี่มันมีตัวช่วยยิ่งกว่า น, นั้นนะคือโซเชียลมีเดียเวลาทำดีที่ไหนบริจาคเงินให้ใครก็อยากจะให้มีรูปถ่ายนะและจะได้เอาขึ้นเฟซนขั้นอยู่แบบนี้ดนนี้ก็ มีมากขึ้นนะที่นี่ก็เจอเยอะเลยแล้วมันจะบริจาคเงินแต่ก่อนรับบริจาค ร, รับซองก็นุโมทนาจเจดียน์นี้ต้องขอถ่ายรูป ก, ก่อนขอถ่ายรูปคนบริจาคแล้วก็อัตมาก็เป็นผู้รับเงินถ่ายรูปไปทําไมก็เพื่อเอาไปขึ้น f a c เฟ o บุ๊กการบริจาคเงินก็ดีนะแต่บางทีเราก็ต้องถามใจเราว่าเนี่ย ถ้าเราจะทำความดีโดยที่ไม่บอกใครเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการลดนะอัตตาวิธีหนึ่ง อ, อย่างที่บอกนะธรรมชาตอัตตาเนี่ยนะหรือภาษ า, ษาธรรมะเรียกธมา น, นะเนี่ยมันต้องการให้ใครต่อใครรู้ว่าฉันเป็นคนดีอย่างไรดีแค่ไหน และเดือนนี้เนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้ส่งเสริมหรือพนอัดตังมากขึ้นเรื่อยๆการทำความดีเช่นการบริจาคทานหรือการปฏิบัติธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าโนมนุ่มทนานะแต่ถ้าเราลองคิดว่าเราจะทําดีโดยที่ไม่ประกาศใครเลยให้ใครรู้มาเข้าคอสปฏิบัติธรรมมาเจริญสติกรรมฐ า, านมาถือศีลก็ทําแบบเงียบๆนะ ไม่ต้องให้ใครมาถ่ายรูปเพื่อเผยแพร่ทาง f a c e b o o การนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรารถนาการสารกรรมสารเสริญและต้องการอร้วงอวดเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวก่อทุกข์นะเพราะว่าประกาศไปแล้วอวดไปแล้วไม่มีคนชื่นชมสารเสริญหรือโพอสต์ไปแล้วไม่มีคนกดไลค์เนี่ยเราก็จะทุกข์เลย ทั้งที่ทำความดีก็ควรจะปราบปลื่มปิตินะไม่ใช่มาทุกเพราะว่าคนไปกดไลค์หรือเพราะไม่มีคนเห็นบางทีมาถวายเงินมาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าลืมถ่ายรูปนะโอ้ยเสียใจมากเลยโมโหโมโหคนที่มอบหมายถ่ายรูปแล้วไม่มาถ่ายไรนี้ฉันเอารูปไปขึ้นเฟซบุ๊กได้ไงแทนที่ จ, จะผ่องใสเบิกบานะกลายเป็นมนมองนะ ทุกเพราะคําชมเนะี่ยมันก็ต้องอาสุขเพราะคําชมก็มกลายเป็นทุกเพราะว่าไม่ได้รับคําชมนะมันเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันอยากให้คนชมอยากโอ้อวดแต่ว่าไม่มีคนชมไม่มีโอกาสจะโอ้อวดมันก็เกิดความทุกข์ไอความดีที่ทําก็เลยเป็นปัจจัยเกิดความหม่นหมองนะเั้นเวลาทําดีเนี่ยนะ ลองคิดไปว่าเนี่ยเราจะทําดียิ่งกว่านั้นไม่ใช่แค่บริจาคเงินไม่ใช่แค่อ่ามาเป็นเจ้าภาทพทอภาพปา่าแต่เราจะทําดีด้วยการไม่ประกาศไม่อวดซึ่งเราจะรู้สึกว่ามันยากนะเพราะมันจะมีความอัดอั้นตันใจอยากจะระเบิดออกมาคนเวลาเราอยากจะอวดแล้วมันไม่ได้อวดนี่มันมีความรู้สึกอัดอั้นทีเดียวมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความตทำความดีอย่างเดียวนะเรียนหนังสือเก่งนะ ได้สีตลอดได้เกียรนิยมยก็อยากจะประกาศให้โลกรู้หรือว่าฉันสวยฉันหลออ่อก็อยากจะให้ใครๆได้เห็นเดี๋ยวนี้นี่เวลาจะโพสรูปหรือโพสเซลฟี่นี่ต้องตกแต่งภาพนะอย่างละเอียดรอพิถีพิถันบางทีเป็นชั่วโมงนะตนั้นที่มีแอปคอยช่วยอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ยอมปล่อยรูปไปง่ายๆ ต้องผ่านการตกแต่งให้มันสว ย, ยเพื่อให้คนอื่นเขาชมว่าโอ้เธอสวยเธอแช่มชื่นแจ่มใสเธอหนุ่มหรือสาวเกินวัยเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการพนอรหรือว่าปนประ อ, าาอัดไกแบบหนึ่งนะร่ะางตานี่ถ้ามันใหญ่มันก็จะก่อทุกข์ได้ง่ายมันจะเรียกร้องอะไรจากเราเยอะแยะเดยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักนะ่ากราบมันบ้างนะ ด้วยการอย่าง น, น้อยๆก็ด้วยการที่ไม่ไปโอ้โอวดไม่ประกาศให้โลกรู้อย่างคนจริงคเนี่ยแกก็ไม่ได้มีธรรมะเลยนะแต่ว่าคุณธรรมที่แกมีนี่ก็เรียกว่าทําได้ยาก น, นะคือนอกจากประหยัดแล้วก็นึกถึงผู้อื่นแล้วก็ยังพร้อมจะทําดีโดยที่ไม่อยากประกาศให้ใครรู้ไม่ยึดติดปรารถนาคํายกย่องสรรเสริญต้องการเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดานิรนามอันนี้ก็เรียกว่า เป็นการปฏิบัติธรรมที่ทำได้ยากนะ